ของตนให้มีความเจริญให้มีความสูงให้มีความสุขมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการเจริญหรือความเจริญที่แท้จริงนั้นไม่ได้เจริญที่ลาบยศสรรเสริญสุขแต่เจริญที่ทานศีลภาวนาเจริญที่จิตใจเพราะเป็นความเจริญที่แท้จริง เป็นความเจริญที่ถาวรเป็นความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่ถาวรส่วนความเจริญความสุขทางลาคยศสรรเสริญสุขนี้เป็นความสุขเป็นความเจริญที่เป็นเพียงชั่วคราวไม่อยู่ติดไปกับใจตลอดในขณะที่ได้เสกได้สัมผัส ได้มีไว้ครอบครองก็มีความสุขและในขณะเดียวกันก็ทำให้มีความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใยเกิดจากความหวงแหนเกิดจากความเสียดายอร่อยอาวรถ้าต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปจึงไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง และก็ไม่ได้เป็นความเจริญใดอย่างใดถึงแม้จะมีเงินกองเท่าภูเขาถึงแม้จะมีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามแต่มันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับจิตใจเลยแม้แต่น้อยนิดจิตใจไม่ได้เจริญตามเงินที่มีอยู่ไม่ได้เจริญตามตำแหน่งที่มีอยู่จิตใจจะเจริญจะสูงได้ ต้องเกิดจากการให้ทานเจอ ก, การรักษาศี่จากการภาวนาทำจิตใจให้สงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆนี่เรียกนี่คือความสุขและความเจริญที่แท้จริงอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความเจริญที่ใจอยู่ที่ความสุขที่ใจ ดังนั้นอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปหลงคิดว่าถ้าเรามีเงินทองมากขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นมีความสามารถที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นโลดผดัพพะได้มากขึ้นนั้นจะเป็นความเจริญจะเป็นความสุขในสายตาของนักปราดท่านเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นเหมือนเหยือ่อ ที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าปลาที่ไม่ฉลาดไปหุบเหยื่อที่ปลายเบ็ดเพราะคิดว่าเป็นอาหารอันโอชะเมื่อหุบไปแล้วก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวคอถูกคนที่เขาตกปลาคนเจ้าของเบ็ดนี้ลากขึ้นไปเอาไปแกงฉันใดผู้ที่ยังหลงยึดติดอยู่กับความเจริญ ในราบยศสะละเสินสุขผู้ที่ยังมีความหลงหยึดติดอยู่กับความสุขทางโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เป็นเหมือนกับปลาที่ไม่ฉลาดปลาที่ยังหลงหุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแล้วก็ถูกเบ็ดเกี่ยวคอมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลากับเรื่องราบยศสะละเสินสุขนี้แล ไม่ได้กับเรื่องอะไรสิ่งใดที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยไปผูกพันด้วยสิ่งนั่นมันก็จะรัดคอเรามันเป็นเหมือนกับปลาหมึกยักบพอเราเข้าไปใกล้เราก็จะโดนหนวดโดนแขนขาของเขามัดคอมัดตัวเราเอาไว้ถ้าเราไปยึดติดกับลาบยศสารเสริญสุข เราก็จะถูกลาบยศสรรเสริญสุขยึดติดผูกมัดเอาไว้เราจะไม่สามารถไปพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นได้เลยทั้งๆ ท, ที่น่าจะทําได้เพราะมีเงินมากแล้วน่าจะทําบุญได้มากแต่กับไม่ทํากับเสียดายกับหวงกับแหนยิ่งมีมากเท่าไหร่ แทนที่ใจจะกว้างขึ้นใจกับแคบลงเพราะความยึดติดนั่นเองเพราะความโลภพอได้อะไรแล้วก็อยากจะได้ให้มากขึ้นเมื่อมีจึงไม่จึงไม่สามารถที่จะนำเอาไปทำบุญเอาไปทำทานได้แทนที่จะจิตใจจะสูงขึ้นจเจริญขึ้นจิตใจกับต่ำลงแต่ผู้ที่มี มีทานอยู่เรื่อยๆจเจริญทางด้านจิตใจอยู่เรื่อยๆเขาจะทำบุญมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเขาเห็นคุณค่าของการทำบุญให้ทานว่าทำไปแล้วทำให้จิตใจเขามีความสุขมีความอิ่มมีความภูมิใจทำให้เขาสามารถชมตัวเขาเองได้โดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาชมเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่า เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนเจริญนี่คือความเจริญทางด้านจิตใจอย่าไปหลงกับความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุขเพราะมันจะไปสร้างความโลภให้เกิดมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราไปแสวงหาลาบหายศหาสิ่งต่างๆภายนอกนี้นั่นแสดงว่า ความโลภ ก, กำลังออกมาทำงานแล้วและความโลภนี้แทนที่จะหมดไปเมื่อได้สิ่งที่ต้องการมากลับเป็นตรงกันข้ามกันเมื่อได้มาแล้วก็จะมีความเลิกเพิ่มขึ้นไปเป็นสองเท่าเคยได้เท่าไหร่ก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปสองเท่าสามเท่าสี่เท่าก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีเป็น แสนแล้วก็อยากเป็นล้านมีเป็นล้านก็อยากจะเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมืล้านแสนล้านไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรหรือถ้าเอาไปก็เอาไปใช้ในทางที่เสียหายเช่นเอาไปสแสวงหาอำนาจใช้เงินทองเป็นบันไดที่จะพาตรงก้าวขึ้นสู่อนานาจทำทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่กดถูกกฎหมายถูกศีลธรรมหรือไม่ถูกศีลธรรมเพราะความโลภนี้มันเริ่มขยายตัวมากขึ้นไปขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจนทำให้จิตใจนั้นต่ำลงไปเรื่อยๆคิดที่จะทำร้ายผู้อื่นคิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นคิดที่จะแย่งชิงอานาจของผู้อื่น มาไว้เป็นของตนเองดังนั้นขอให้เราอย่าไปหลงกับความเจริญทางลาบลดสารเสริญสุขเราทํามาหากินขอให้เราทําด้วยเพราะความจําเป็นว่าเราต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงทองทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงชีพได้แล้วถ้ามีเหลือเกินความจําเป็น ก็เอาไปทำบุญทำทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ในโลกจะทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นถ้าลองทำดูแล้วจะเห็นผลอย่างแน่นอนถ้าไม่ฉะนั้นแล้วจะไม่ปรากฏบุคคลเช่นพระเวชสันดรขึ้นมาได้พระเวชสันดรท่านเป็น กษัตริย์ท่านเป็นเศรษฐีท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ท่านไม่ได้ยึดติดกับสิ่งต่างๆ ท, ที่ท่านมีท่านไม่ได้โลภอยากจะได้ให้มันมีมากยิ่งขึ้นไปท่านกลับอยากที่จะนาเอาไปแจกจ่ายเอาไปแบ่งปันให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ไม่มีทั้งหลายจนตนเองนั้นแทบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย เป็นเหมือนกับนักบวชอยู่อย่างนักบวชบำเพ็ญทานแล้วก็บำเพ็ญศีลแล้วก็บำเพ็ญภาวนาทำจิตใจให้สงบเป็นการสะสมบุญบารมีที่จะส่งให้ได้ไปถูจุดสูงสุดของความเจริญของจิตใจนั่นก็คือไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ทุกทั้งปวนไปสู่อรมณสุขปรมังสุขขังความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีทุกเจือปนอยู่ความสุขที่ไม่มีสิ้นไม่มีหมดไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่ไม่จีรังถาวอนมีความสุขชั่วประดิวปดาวแล้วก็มีความทุกข์ตามมานี่คือความแตกตา่าง ระหว่างความสุขทางโลกกับความสุขทางบำเพ็ญทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เหมือนกับคนละโลกเลยพวกเราจึงควรที่จะถือโอกาสอันดีที่มีโอกาสที่จะสามารถทำบุญให้ทานได้สามารถรักษาศีลได้สามารถบำเพ็ญภาวนาทำเสมอ ทำจิตให้สงบให้สงบนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงของสิ่งต่างๆที่จิตใจไปหลงยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นความสุขว่าจะอยู่กับเราไปนานๆถ้ามีปัญญามีการจเจริญอนิจจงทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆ ก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่จรังถาวรที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นสมบัติชั่วคราวเพราะเมื่อเราตายไปแล้วเราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ร่างกายของเราเราก็เอาไปไม่ได้ แล้วนับภาษาอะไรกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของสามีของภรรยาของพ่อของแม่ของบุตรธดาของญาติสนิทมิตรสายเอาไปไม่ไดนะ้สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆรถยนต์บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถเอาไปกับเราได้เลย แต่สิ่งที่เราเอาไปได้เรากลับไม่ค่อยสนใจสร้างหรือสะสมกันเอาไว้คือทานบารมีศีลบารมีเนี่ยธรรมบามีสิ่งเหล่านี้เรากับไม่สนใจสร้างกันพอเวลาเราไปเราจึงไปแบบตัวเปล่าๆไปแบบขอทานไปแล้วก็ต้องไปขอส่วนบุญจากผู้อื่น เพราะตนเองในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยคิดทำบุญไม่เคยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปคิดอย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรให้ได้ให้รวยมากๆให้มีตําให้มีตำแหน่งมีอำนาจมากๆให้มีความสามารถที่จะดูจะฟังจะกินจะดื่มอะไรที่ตนเองปรารถนา ให้ได้มากมากเลยชีวิตทั้งชีวิตเลยไม่ได้ใช้ไปกับการพัฒนาชีวิตจิตใจให้ดีให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นพอไปพอตายไปก็เลยไม่ได้ไปเกิดในที่ดีที่เรียกว่าสุขติถ้ายังก็ต้องไปเกิดต้องไปเกิดในอบายถ้าไปทำบาป ท, ทำกรรม ในการที่แสวงหาอำนาจวาสนาหาเงินหาทองต่างๆเ <c oughs> มื่อหมดบเวรหมดกรรมก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่มาเกิดแบบคนยากคนจนแล้วก็ต้องมาแสวงหาใหม่เมื่อแสวงหาแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเอาไปทำบุญไม่เคยคิดที่จะรักษาศีล ไม่เคยคิดที่จะภาวนาก็วนไปอยู่ในรอบต่าชั้นขั้นต่ำอยู่เรื่อยๆวงจรต่ำคือวนวนเวียนอยู่ในอบายกับเมื่อหมดหมดกรรมในอบายก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างกรรมใหม่เมื่อตายไปก็ไปใช้กรรมใหม่ในอบายวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เพราะไม่มีความศรัทธา เชื่อฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายคอยเตือนคอยสั่งสอนอยู่เรื่อยๆคอยเตือนให้ทำแต่ความดีให้ละบาปให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงอย่าทำอะไรไปตามความโลภถ้าจะทำอะไรขอให้ทำไปด้วยความจำเป็น ถ้าเป็นความจำเป็นแล้วจะไม่เป็นความโลภเช่นเราต้องมีอาหารรับประทานถ้าเราไปทำงานไปหาอาหารมารับประทาน ด, ด้วยวิธีที่สุดจริตอย่างนี้จะไม่เป็นความโลภและไม่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ถ้ามีพอกินแล้วยังอยากจะมีมามากๆ ก, กลัวจะอดอยากขาดแคลนอย่างนี้ ก็จะเกิดเป็นความโลภขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเป็นความหลงไม่ต้องกลัวอดอยากขาดแคลนพวกสัตว์ทั้งหลายเขาไม่มีที่สะสมอาหารเหมือนมนุษย์เขาก็ยังอยู่ของเขาได้นกเขาไม่มีตู้เย็นเขาไม่มีอะไรคอยเก็บอาหารเก็บข้าวของต่างๆไว้ถึงเวลาเขาหิวเขาก็ไปหามารับประทาน สัตว์ต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นต้องหากินไปเรื่อยๆเขาก็อยู่ของเขาได้มนุษย์เราก็ฉลาดกว่าตั้งเยอะแยะเราสามารถหาอาหารมาเก็บไว้ได้สามารถหาเงินหาทองเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าที่ขาดแคลนได้แต่ยังไม่พอยังอยากจะมีมากๆเราอยากจะกินของฟุ่มเฟือย ของแพงๆซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายกินอาหารถูกกินอาหารแพงก็เป็นอาหารเหมือนกันทำให้ร่างกายอยู่ได้ทำให้ร่างกา ย, ย, ากายมีความอิ่มเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ความหลงจะทำให้อยากจะกินของแพงๆของกินของดีๆใช้ของแพงๆใช้ของดีๆ จึงต้องดิ้นรนหางานหาเงินมาใช้อยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะสามารถแบ่งปันเงินทองที่หามาได้นี้ไปทำบุญให้ทางเลยและเวลาหาเงินหาทองอยากจะได้มากๆ ก, ก็จะทำให้ไม่สามารถรักษาสินได้เพราะ การรักษาสีนนี้อาจจะทำให้ไม่สามารถได้เงินทองมาอย่างสะดวกรวดเร็วแต่ถ้าพูดกดบ้างพูดไม่จริงบ้างก็จะทำให้ขายของได้เวลารับปากกับใครใครเขาต้องการอะไรอยากจะได้เงินเขาทั้งๆ ท, ที่ตนเองนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะสามารถเอาของที่เขาต้องการมาให้ได้หรือไม่ ก็รับปากเขาไปก่อนแล้วพาะอยากจะได้เงินของเขาแล้วจะได้ไม่ได้นั้นค่อยว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่หารู้ไหมว่าตนนั้นกำลังทำให้จิตใจของตอนเองตกต่ำไม่ได้เจริญขึ้นไม่ได้ดีขึ้นเพราะถ้าคนที่เขาต้องการของนั้นเขาไม่ได้ของต่างที่ได้ตกลงกันไว้เขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนไม่มีสัจจะ เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าทางคำพูดทางวาจาต่อไปเวลาที่เราจะพูดอะไรกับใครก็จะไม่มีใครเขาเชื่อเชื่อเราได้แล้วแทนที่เราจะทำมาหากินได้อย่างสะดวกง่ายดายกับท ร, รมาหากินยากขึ้นเพราะถ้าคนเขารู้มากขึ้นว่าเราเป็นคนที่ เชื่อใจไม่ได้ต่อไปก็ไม่มีใครอยากที่จะมาทำการค้ากับเราแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนที่มีศีลมีสัตว์เราไม่โลภมากจนเกินไปเราอยากได้เพราะความจำเป็นแต่ถ้าไม่ได้เราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ยอมรักษ า, กษาสัรจรักษาศีลธรรม ยอมเสียรายได้ที่อาจจะได้ไปแต่สิ่งที่จะได้กลับมาก็คือความน่าเชื่อถือคนที่เขารู้จักเรารู้ว่าเราเป็นคนที่พูดจริงตกลงกันอะไรไว้เพื่อเชื่อใจได้ว่าจะได้ตามที่ตกลงเอาไว้แทนที่เราจะเสียลูกค้าเสีย คนที่จะมาติดต่อทำมาหากินกับเราเรากลับมีเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาก็จะไปบอกคนอื่นให้รู้ว่าเราไว้ใจได้ทำอะไรไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงนี่คือานิสงของการที่เรามีความซื่อสัตย์สุดเจริตเรารักษาศีลธรรมไว้ ทำให้เรานั้นเป็นคนที่น่าเคาเรพเลื่อมใสน่าเชื่อถือและทำให้เรามีความสงบสุขภายในใจของเราเพราะเราจะไม่รู้สึกอับอายขายหน้าเวลาที่คนอื่นเขาจับผิดเราได้คนอื่นเขาตำหนิเราได้เราจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายไม่ได้ทำผิดศีลผิดธรรม เราจะไม่รู้สึกทุกข์หรือวุ่นวายใจไปกับการคารหานินทาของผู้อื่นเขาจะพูดไปอย่างไรมันก็ไม่ได้เป็นไปตามความจริงที่เขาพูดเราไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรไม่ต้องไปแก้คาพูดของเขาคาพูดของเขานั่นแหละจะเป็นตัวฟ้องเขาเองว่าเขาเป็นคนอย่างไรว่าเขาเป็นคนพูดจริงหรือพูดเท็จ เป็นคนดีหรือพูดไม่ดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่กล่าวร้ายผู้อื่นโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีมูลความจริงคนที่พูดอย่างนั้นแหละจะกลายเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นคนไม่ใช่เป็นคนเจริญนี่คือความเจริญในระดับของศีลธรรม เพิ่ต้นเราก็เจริญในระดับทานคือการให้แล้วเราก็ขยับขึ้นมาสู่ความเจริญด้วยการรักษาศินถ้าเรายังไม่สามารถให้ทานได้เราจะรักษาศินยากเพราะเวลาที่เราไม่ให้ทานนี้แสดงว่าเรายังมีความหวงมีความตนีมีความโลภอยากจะได้มากขึ้นไปเมื่อเป็นดังนั้นเราก็จะ พยายามที่จะหามาให้มากยิ่งขึ้นก็ต้องหาโดยวิธีที่สุดเจริญบ้างไม่สุดเจริญบ้างสุดแท้แต่โอกาสเพราะสิ่งที่ตนต้องการนั้นเป็นเป้าหมายไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่การมีศีลแล้วไม่มีศีลเมื่อมีความโลภแล้วเป้าหมายก็คือสิ่งที่ตนเองต้องการจะมีศีลไม่มีศีลก็จะไม่คำนึงถึง ถ้าเป็นผู้ที่มีความโลภมากๆเพราะไม่รู้จักเพราะไม่ให้ไม่ทำบุญให้ทานในทางตรงกันข้ามถ้าได้ทำบุญให้ทานอย่างสม่ำเสมอใจจะมีความสุขมีความอิ่มจะไม่โลภมากเหมือนคนที่ไม่ทำบุญให้ทานและจะสแสวงหาแต่เฉพาะสิ่งที่จำเป็นและจะสแสวงหามาโดยวิธีสุจริต จึงทำให้สามารถรักษาศีลได้ทำให้เป็นคนที่มีสัจจะเป็นคนซื่อสัตย์ฉดเจริญเป็นคนดีขึ้นมาได้ต้องอาศัยการทำบุญให้ทานเป็นเครื่องสนับสนุนแะเมื่อเรามีศีลมีสั์แล้วเราจะเห็นว่าจิตใจของเรานี้มีความมั่นคงมีความสงบไม่ค่อยหวั่นไหว ไปกับคำคารหานินทาต่างๆไม่ต้องหวาดวิตกกังวลกับการที่จะถูกประนามหรือถูกจับไปลงโทษแต่อย่างใดเพราะเราไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายให้กับผู้อื่นนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นคุณค่าของความสงบสุขของจิตใจและอยากจะให้มีมากยิ่งขึ้นไป ก็จะทำให้เราสนใจต่อาการบาเพ็ญภาวนาเพราะการบาเพ็ญภาวนาจะทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าความสงบที่ได้จากการทำบุญให้ทานจากการรักษาสีนี้เป็นขั้นปรถมขั้นมัธยมถ้าเป็นเงินก็เป็นเงินเหรียญเงินบาทกับเงินห้าเงินสิบไม่เหมือนกับ ประโยชน์สุขที่จะได้จากการภาวนานี้เป็นเหมือนกับแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันทำทีทละทำหนเดียวสองหนก็ได้เป็นกรอเป็นกรรมมากกว่าการทำบุญทำทานรักษาศินเมื่อเป็นดังนั้นก็จะสนใจต่อการทำจิตใจให้สงบก็จะปรีกวิเวกตามสถานที่ต่างๆออกจากความวุ่นวายต่างๆของทางโลก ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาวัดที่มีความสงบหรือสถานที่ที่มีผู้ปฏิบัติทํามมีความสงบมีครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนคอยเทศให้คอยเทศคอยชี้แนะวิธีการปฏิบัติให้ให้ฟังอยู่เรื่อยๆก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจ จะรู้จักวิธีทาจิตใจให้สงบเพราะการภาวนานี้ก็เป็นเหมือนกับการทำกับข้าวถ้าเราไม่รู้จักวิธีทากับข้าวเราจะทำกับข้าวไม่เป็นหุงข้าวก็ไม่รู้ว่าหุงอย่างไรผัดกับข้าวทำอาหารชนิดต่างๆก็ไม่รู้จักวิธีทาอย่างไรทำไปก็ทำแบบถูกๆผิดๆอาหารที่ออกมาก็แบบสุกๆดิบๆรสชาติก็กินไม่ได้ ก็ไม่มีประสบระการณ์ต้องอาศัยคนที่มีประสบระการณ์มาคอยสั่งสอนอยากจะทำกับข้าวก็เรียนจากคุณพ่อคุณแม่ที่ทำกับข้าวเป็นแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ทำเป็นอยากจะภาวนาให้เป็นเราก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์หาพระที่เป็นพระปฏิบัติที่ท่าน ป, ปฏิบัติมา มีประสบะการณ์มาเป็นเวลาอันยาวนานเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ไว้วางใจจากลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเราไปศึกษากับท่านไปอยู่กับท่านเราจะได้รู้จักวิธีการทำจิตใจให้สงบในเบื้องต้นท่านจะสอนให้เราจเจริญสติถ้าอยากจะทำจิตให้สงบนี้เราต้องมีสติเป็นเครื่องมือเพราะสตินี้เป็นเหมือนกับ เชือกที่จะคอยผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปตามเรื่องราวต่างๆใจของเรานี้ชอบคิดไปเรื่อยๆชอบคิดเรื่องราวต่างๆถ้าจถ้าใจคิดไปเรื่อยๆแล้วใจจะไม่นิ่งจะไม่สงบในเบื้องต้นต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วก็ต้องผูกไว้กับหลักหรือเสาเพื่อให้เพื่อให ใจไม่ลอยไปใจนี่เปียบเหมือนกับสุนัขถ้าเราจับมันผูกไว้กับเชือกแล้วเอาไปมัดไว้กับเสามันก็จะไม่สามารถไปวิ่งเล่นตามสถานที่ต่างๆได้ถ้าไม่มีเชือกมาผูกไว้ที่ตัวสุนัขแล้วเอาไปผูกไว้กับเสาสุนัข ก, ก็สามารถที่จะวิ่งไปวิ่งมาไปทําอะไรต่างๆได้ ใจของเราก็เป็นเช่นนั้นสาเหตุที่ใจของเราไม่สงบเพราะใจเราไม่มีเชือกไม่มีสติที่คอยดึงใจไว้และไม่มีเสาที่จะคอยผูกใจเอาไว้นั่นเองดังนั้นท่านจึงต้องให้เรามีสติและมีเสาเช่นมีพุทธานุสติพุทธานุสติก็คือให้มีให้มีพุทโธให้มีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเสา แล้วให้มีสติคือการรู้อยู่กับพุทโธนี้เป็นเชือกผูกใจเอาไว้ถ้าเรามีทั้งสองอย่างมีสติรู้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจของเราก็จะสงบลงการเจริญสตินี้เราสามารถเจริญได้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเท่า น, นั้นเอง เราทำอะไรอยู่เราก็สามารถเจริญสติได้เราคอยดึงใจไว้อย่าให้ไปคิดอะไรให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทำอะไรก็คิดอยู่กับพุทโธไปหรือไม่เช่นนั้นก็ให้อยู่กับการทำงานของเราเรากำลังรับประทานอาหารก็ให้ใจอยู่กับการรับประทานอาหารอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับการรับประทาน ให้อยู่กับการเคี้ยวอยู่กับการกลืนอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติถ้าเราลุกขึ้นยืนเราก็ให้รู้ว่าเรากำลังลุกขึ้นยืนถ้าเรากำลังเดินก็ให้รู้ว่าเรากำลังเดินถ้าอย่างนี้เรียกว่าเรามีสติถ้ามีสติแล้วต่อไปเวลาเราต้องการให้จิตอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธมันจะไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วถ้ามันอยู่กับพุทโธได้ ไม่นานมันก็จะสงบนิ่งพอสงบนิ่งแล้วเราก็จะเห็นความมหาสัจรร์ที่จะปรากฏขึ้นมาในใจของเราว่าเป็นความรู้สึกที่เบาที่สุขที่สบายที่เวงหวางไม่มีอะไรมาคอยกดดันให้มีความรู้สึกขับอกขับใจแต่อย่างใด น, นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราจเจริญสติอยู่เรื่อยๆ แล้วพอเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเราก็หามุมสงบหาที่สงบนั่งกำหนดจิตให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธให้มีสติรู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวหรือในเบื้องต้นถ้าเราไม่สามารถผูกให้อยู่กับพุโทโธได้เราจะผูกไว้กับบทสวดมนต์ก่อนก็ได้ให้เราสวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อน สวดอรหังสัมมาสวดสวาขาโตสุปฏิปโนสวดไปแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับการสวดสวดไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจก็จะสงบใจจะเบาแล้วถ้าใจอยากจะหยุดสวดก็ให้ให้ลองหยุดสวดดูดูว่าจะคิดอะไรหรือเปล่าถ้ายังคิดอยู่ก็สวดต่อไปหรือจะใช้พุทโธคำเดียวก็ได้ หรือถ้าไม่อยากจะสวดจะดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้กำหนดดูลมเข้าลมออกอย่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วจิตจะละเอียดลงไปเรื่อยๆแล้วเบาลงไปแล้วก็จะสงบลงไปเรื่อยๆนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราบำเพ็ญภาวนาเราจะพบกับความสุขที่วิเศษเลิศโลกกว่าความสุขอื่นๆใดในโลกนี้เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปน เป็นความสุขที่อยู่กับเราไปตลอดเพราะเราสามารถรักษามันได้สร้างมันได้ให้มีขึ้นมากขึ้นและให้อยู่กับเราไปได้เรื่อยๆแต่ความสุขอย่างอื่นทางโลกนั้นมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันจะอยู่กับเราในขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสมันพอเราไม่ได้เสพได้สัมผัสเราก็เหมือนกับไม่มีความสุขเลยเราจึงเป็นเหมือนคนติดยาเสพติด เราต้องหาความสุขจากสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆจึงเป็นเรื่องที่คอยกดดันให้เราต้องไปดิ้นรนทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อความสุขต่างๆแล้วก็ต้องไปทำบาปทำกรรมในที่สุดเราก็เลยไม่ได้เจริญไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญความสุขและความเจริญที่แท้จริงนี้ คือการบรําเพ็ญทานศีลภาวนานี้ให้ท่านได้นําไปพิณิพิจรารณาให้เห็นว่าเป็นความสุขที่แท้จริงและลองเอาไปปฏิบัติดูเมื่อได้ปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าท่านจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้ล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้น ล้วนมีประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราอย่างแท้จริงจึงขอให้ท่านจงนำเอาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรายมีพระพุทธพระธานพร ะ, พระสงฆ์